พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่12พระสูตรที่39มหาอัศฐปุระสูตรสูตรว่าด้วยคำสอนในนิคมชื่ออัศฐปุระสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับในนิคมแห่งแคว้นอังคะชื่ออัศฐปุระตรัสสอนภิกษุทั้งหลายมีใจความว่าคนเข้าใจพวกท่านว่าเป็นสมณนะ พวกท่านก็มีชื่อว่าสมณะปฏิต ญ, ญาตนว่าสมณะจึงควรสำเนียกที่จัดสมาทานประพฤติ ธ, ธรรมอันทําให้เป็นสมณะทำให้เป็นพราหมซึ่งจะทำให้ชื่อเป็นจริงคำปาฏิยานเป็นจริงทําให้การบริโภคปัจจัยสี่ของเขาฤ ห, หัสมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแก่เขาการบวชก็จะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไร ทรงขยายความของธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะทำให้เป็นพรามโดยสอนให้สำเนียกว่าจะมีความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่วและมีสิ่งที่พึงทำยิ่งขึ้นไปอีกคือจะมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์เปิดเผยไม่มีช่องเป็นผู้สำรวมไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความบริสุทธิ์ทางกายนั้นและมีสิ่งที่พึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือ จะมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์จะมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์จะมีอาชีวะการเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์จะสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรู้ประมาณในการบริโภคจะประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นคือไม่เห็นแกนอนมากนักจะประกอบด้วยสติความระลึกได้สัมปัจฉัญญะความรู้ตัว และมีสิ่งที่พึงทำยิ่งขึ้นไปอีกคือเสพเสนาสนะอันสงัดนั่งคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าชำระจิตจากนิวรห้าทรงเปรียบการละนิวรห้าอย่างเหมือนคนเป็นหนี้พ้นหนี้คนมีโรคหายจากโรคคนถูกจองจำพ้นจากการจองจำคนเป็นทาตพ้นจากความเป็นทาต คนเดินทางไกลข้ามทางกันดานได้สําเร็จย่อมมีความปราโมดโสมนัสทรงแสดงถึงภิกษุนั้นผู้ได้บรรลุรูปฌานสี่ได้ปุเพนิวาสานุสติยานคือยานอันทาให้ระลึกชาติได้ได้จุตูปปตาตยานยานเห็นความตายความเกิดและอาสวะขยะยานยานอันทำอาสวะให้สิน้นมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาสิ้นแล้วเป็นต้นเธอเห็นอริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงเหมือนคนเห็นหอยเห็นก้อนกรวดและฝูงปลาในน้ำใสฉชนั้นภิกษุนี้เรียกว่าสมณะก็ได้พรามก็ได้ผู้อาบน้ำแล้วก็ได้ผู้ถึงเวทก็ได้ผู้มีกิเลสไหลออกก็ได้ผู้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้ผู้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ แล้วส่งขยายความถ้อยคําเป็นคำคำไปคือที่ชื่อว่าสมณะเพราะสงบอกุศลบาปรรมแล้วชื่อว่าพรามเพราะลอยอกุศลบาปธรรมแล้วชื่อว่าผู้อาบน้ําแล้วเพราะ อ, อาบน้ําชําระอกุศลบาปรรมแล้วชื่อว่าผู้ถึงเวทคือผู้รู้พระเวทจบเพราะรู้จบอกุศลบาปธรรมแล้ว ชื่อว่าผู้มีกิเลสไหลออกเพราะอกุศลบาปรมไหลออกแล้วชื่อว่าพระอริยเจ้าเพราะไกลจากอกุศลบาปธรรมออชื่อว่าพระอรหันต์เพราะไกลจากอากุศลบาปธรมป ร, ร, ร, ปธรมหมายเหตุผู้อ่านคำว่าอากุศลบาปรมทำในที่นี้สกดรด้ทอทงนะครับ